คนดีอาจเป็นฝ่ายตรงข้ามกันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาทุกคนแยกยะดีเ็วด้วยระดับความเห็นแก่ตัวและความมีน้ำใจเห็นแก่นคนอื่นแต่ถ้าว่าชีวิตซับซ้อนกว่า น, นั้นความไม่เข้าพวกกันทางวิธีคิดอาจถูกมองเป็นความโง่เขลาเห็นแก่ตัวเห็นผิดคิดร้ายไม่เห็นแก่นคนอื่นไปได้ เมื่อมีสิ่งที่กระตุ้นให้มองฝ่ายตรงข้ามเป็นปีศาจโดยไม่เห็นเหตุผลแบบมนุษย์ของเขาเลยก็อาจปิดวิธีคิดอย่างมีเหตุผลของตัวเองด้วยเหลือแต่อารมณ์ร้ายให้มองแต่ด้านร้ายของการละกันท่าเดียวจุดสังเกตว่าคนดีเริ่มรับความร้ายเข้ามาสู่ตนอยู่ตรงที่มองไม่เห็นหรือไม่มีซักแว บ, บที่คิดถึงข้อดีของฝ่ายตรงข้ามพอแปะป้ายว่าฝ่ายตรงข้ามคือปีศาจ ก็ต้องมีแต่ความเลวสถานเดียวการมองแต่แง่ร้ายมีความโน้มเอียงไปสู่การอยากว่าร้ายหรือกระทั่งใส่ร้ายโดยไม่ต้องมีหลักฐานเมื่อมองคนอื่นออกว่าความเป็นคนดีและคนเลวเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเงื่อนไขซับซ้อนเราจะตัดสินคนอื่นน้อยลงเราหันมาสนใจกุศลจิตและอกุศลจิตของตนเองมากขึ้น มาตรฐานความดีในตนเองมีหลักฐานที่กุศ ล, ลจิตเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีใครด่าใครชมไม่ได้อยู่กับหลักฐานภายนอกที่ตนเองโฆษณาให้คนอื่นฟังหรือแกล้งทำให้คนอื่นเห็นเมื่อรู้แก่ใจว่าตนเองไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดให้ร้ายไม่คิดปั้นน้ำให้เป็นตัวหวังให้เกิดผลดีในวงแคบไปถึงวงกว้าง ก็เชื่อมันได้ว่าจิตของเราเป็นกุศลแม้จะต้องอยู่คนละข้างกับคนมีจิตเป็นกุศลที่คิดต่างกันก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนดีเหมือนกันส่วนจะได้รับผลอันเป็นที่สุดไม่เหมือนกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการทำความดีว่ามีอกุศลธรรมเจือปนอยู่แค่ไหน